ใช้สวยวัตถุปัจจัยต่างๆที่เกินจำเป็นมันมีผลต่อเราทั้งรียะสั้นและระยะยาวนะเหมือนกับเรามีความรู้สึกพอใจในรูปเสียงกลิ่นสัมผัสนะประตามในขณะเดียวเราก็ต้องทำใจว่าไอ้ความไม่พอใจที่จะกลับมาเนี่ยก็มีความ รุนแรงเท่าๆกับความพอใจที่เรามีอยู่นี้ทุกครั้งไปเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับซึ่งมันเป็นเป็นกฎของธรรมชาติเลยตลอดชีวิตที่มาสังเกตมามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระอริยเจ้าที่ท่านไม่ตกนรกท่านไม่ทำกรรมต่อเพราะท่านเห็นกฎอันนี้แต่ตับใดบุรุษชนที่ไม่เห็นยังไม่ไม่เห็นทำกฎอันนี้นะก็ยากอยู่ใ น, นที่จะพ้นจาก อบายเพราะอดของอบายคือเราเสพติดในความพอใจแล้วไม่ยอมรับปฏิกิยาสะท้อนกับความรุนแรงของความไม่พอใจจะตีกลับมามันกลายเป็นนรกทันทีจากสวรรค์เป็นเป็นนรกทันทีความพึงพอใจที่เราได้รับเป็นสวรรค์และความไม่พึงพอใจที่เราได้รับมันเป็นนรกแต่ถ้าเราได้กําหนดรู้ความจริงทั้งสองด้านนี้ ว่าเออเราได้รับความพึงพอใจขณะนี้แทนที่เราจะดีใจแทนที่จะพอใจแทนที่เราจะชอบใจแล้วกับวางเฉยแล้วก็ตามกำหนดรู้ว่าถ้าเราไปเสพแน่นอนเราจะด้รับผลปฏิยาณเท่กับพอๆกับที่เราได้รับคนไม่ได้ปฏิบัติวิปัสนาจะไม่ยอมรับรู้และจะไม่เห็นความสำคัญของกฎอันนี้ ดังนั้นเองถ้าเป็นความพึงพอใจส่วนตัวทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เนี่ยของเราเราก็รับผิดชอบเองที่จะต้องได้รับผลปฏิกิยาสะท้อนกลับเขาเรกกฎแห่งกรรมนะแต่ในกรณีที่มันเป็นกรรมร่วมนะมันเป็นกรรมร่วมคนอื่นเขาพยายามที่จะสร้างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้เกิดความพึงพอใจ ถ้าเราอยู่ในคนกลุ่มนั้นในสังคมนั้นในประเทศนั้นเมื่อปะกลียาสะท้อนกับความพึงพอใจนั้นเป็นความไม่น่าพอใจเราก็มีผลได้รับด้วยเช่นคนส่วนใหญ่ต้องการความต้องการอาหารที่อร่อยแต่เขาไม่ได้ตระหนักรู้ว่าการที่เรา ได้กินอาหารอร่อยทุกมือนะั่นเขาจะต้องได้รับสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจจากการรถไม่อร่อยทางลิ้นด้วยนะหรือไม่อร่อยไม่อริ่อร่อยทางทางกายทางใจด้วยนะเขาจะไม่รู้แต่เราอาจจะต้องได้รับผลอันนั้นด้วยเพราะไม่เป็นการร่วมเพราะอะไรเพราะอาหารได้อร่อยความพึงพอใจนั่นมันเกิดจากการเสพ ในวัตถุทั้งหลายอาจจะได้นด้ําดีๆอาจจะได้เนื้อดีๆอาจจะได้ปลาดีๆอาจจะได้ <c oughs> อาหารป่าดีๆแต่หารู้ไหมความที่ อ, อร่อยๆคือจากวัตถุดิบเหล่านั้นมันได้ทําลายธรรมชาติลงมากมายพอมันเกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับทางธรรมชาติเราก็พอได้รับผลอันนั้นด้วยนี่เขาเรียกว่าร่วมชะตากรรม แต่ในกรณีในชุมชนนั้น <c oughs> เป็นคนรู้ทรธทรกฎของธรรมชาตินั้นมันมีมากกว่าคนกลุ่มนี้ก็จะร่วมกันต่อต้านความพึงพอใจของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาจะพยายาม <c oughs> ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อเอามาสนองตอบตอบความอยากคือตระหนาของเขานั่นเขาเรียกว่าผู้มีธรรมจะแสดงความรับผิดชอบทางจารยิยธรรมเพื่อให้ไม่ไม่ต้องรับผลกรรมร่วมกันของชุมชน แต่ด้วยที่ทางชุมชนส่วนใหญ่เองกอ็เน้นไปเต็มตัวพิรพุษบัตรชุมชนส่วนใหญ่เองก็ไม่ได้รู้เรื่องเหล่านี้เหมือนกันดังนั้นคนทั้งโลกจึงได้รับผลปฏิกิริยาสะท้อนกลับรวมกันอย่างที่เราเห็นซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนยากแก่คนที่จะเข้าใจที่พระพุทธเจ้าตรัดว่ามันเป็นเรื่องสุ ข, ขุมความภีรภาพลึกซึ้ง เกินกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นปุถุชนก็จะต้องทุกข์ตลอดไปดังนั้นเองเราซึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเลื่อนขั้นของตัวเองจากปุถุชนขึ้นมาเป็นกัลยาณชนเป็นสาธุชนเป็นอริยะชนเพื่อให้พ้นจากกฎแห่งกรรมเพื่อให้พ้นจากการ สวยผลร่วมกฎแห่งกรรมที่คนอื่นสร้างมาเราจะตีวงแคบเข้ามาเพื่อรับผิดชอบต่อผลปฏิยาชนกับจากส่วนที่เราทำของเราเองเข้าใจได้นย น, นั้นเรื่องเหล่านี้จึงไม่อยากจะให้เรามองอะไรผ่านๆทุกเรื่องเมื่อใดมีอะไรที่ได้รับความพึงพอใจให้ทาใจอยู่สเสมอว่าเดี๋ยวความไม่น่าพอใจมันต้องตามมาแน่นอน เผือเรารู้ตระหนักรู้อย่างนี้แล้วเราจะไม่หลงเสพสุขอันเกิดจากความพึงพอใจจากรูปเสียงกินรดนานเกินไปถ้าเราเสพมันนานเท่าไหร่เราก็จะได้รับผลพฤกิยาสัมพันธ์กับนานเท่านั้นนี่คือสิ่งที่น่ากลัวแต่ถ้าเรามีความตระหนักรู้เสีย ก, ก่อนว่าเมื่อรูปเสียงกินลดนสัมผัสมากระทบเพื่อเกิดความพึงพอใจเราก็จะได้ตามรู้และทําใจว่าเออสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยธรรมเราไม่ได้แสวงหา เราจะเสพแต่เพียงพอดีแต่ถ้าเราจะปฏิเสธเลยโดยที่ไม่ยอมรับรู้ต่อกดแห่งกรรมันนี้ว่ามันเป็นความพึงพอใจที่ได้กินอาหารอร่อยที่ได้อากาศดีดีที่ได้รถกินดีๆีรถดี ด, ด, ดีสัมผัสดีๆมันเกิดขึ้นโดยธรรมลักษณะนี้เราก็ไม่ปฏิเสธแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ไปหลงยินดี ว่านั่งตรงนี้คุณผู้ชัยศาชนะอยู่ตรงนี้เราก็าจะได้ไม่หลงยินดีเสพสุขเหล่านั้นเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นโดยธรรมไม่ได้หมายความว่าถ้าหากว่าความความพึงพอใจที่เกิดขึ้นโดยธรรมจากรูปเสียงกิ่ิยานั้นมีอยู่โดยที่เราไม่ได้ขวนขวายไม่ได้เสีงหาและไม่ได้มันมีอยู่โดยธรรมเช่นเราไปนั่งทานอาหารเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องบังคับให้คนปรุงอาหารให้อร่อย แต่มันเป็นอร่อยตามธรรมชาติของมันเองลักษณะนี้เราสามารถรับรู้ได้แต่ถ้าเกิดเราไปปฏิเสธก็ถือว่าเราเป็นอ่าเขาเรียกเกิดความขัดแย้งไม่ยอมรับความเป็นจริงก็จะเกิดทุกข์อีกแบบหนึ่งมีใช่ไหมคนมีปฏิกิยาต่อต้านทุกเรื่องอะไรที่มั น, นตรงข้ามก็ต่อต้านหมดอันนี้เขาเรียกว่าเกิดปฎิกิยาอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นกฎของกรรมซึ่งยากที่เราจะเข้าใจได้นะ ดังนั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราได้เจริญสติแล้วก็ได้สังเกตในชีวิตประจำวันนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเวลาอากาศร้อนๆมามีใครไม่อยากจะได้ดื่มน้ําอุ่นสักแก้วนึงแต่ข อ, อน้ำเย็นสักแก้วหนึ่งเป็นเรื่อง 99% เลยทีเดียวนะอากาศร้อนๆอย่างนี้แต่เมื่ออากาศเย็นๆมีใครวางถามว่าน้ําเย็นสักแก้วหนึ่งข อ, อน้ําอุ่นๆหนะ่อยใช่ไหม นั่นคือทุกคนมันเป็นสัญชตาตญาณเลยทีเดียวว่าจะพยายามสนองหาสิ่งที่ตอบสนองในาทางตรงกันข้ามแต่เราไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นข้างเดียวกันอากาศเย็นๆขอน้ำเย็นสักแก้วหนึ่งอากาศร้อนๆขอน้าร้อนสักแก้วหนึ่งถ้าใครเป็นอย่างนั้นบางคนเขาถูกหาว่าอะไรบ้าหรือเพี้ยน <c oughs> แต่มันเป็นความจริงที่ถูกต้องทีเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าพระหรหันกับคนบ้านี้ไม่ต่างกันเท่าไหรน่นะ้ เรายกธรรมะเอาเสียพระอรหันต์กับคุณบาพวพวกพวกเดียวกันคือมันลักษณะอย่างนี้เอไม่ได้หมายความว่าท่านเกิดความขัดแยง้งแต่ท่านไม่อยากจะเสพสุขในส่วนที่ตรงคันข้ามากเกินไปถ้าอากาศร้อนเราทานน้าร้อนไปนไงมันก็จะร้อนช่วงที่เราทานเหนื่อออกแล้วก็หายแล้วก็เย็นตลอดแต่ถ้าเราอากาศร้อนร้อนเราทานเย็นก็จะร้อนในตลอดนัอนกันก็ให้เกิดโรคภัไข้เจ็บมากมายใช่ไหมนั่นคือ ทุกตามมาทีหลังซึ่งถ้าหากว่าคนหนุ่มสาวได้มารู้เรื่องนี้ตั้งแต่เนิ่นๆนะมาว่าวิเศษมากเลยเพราะเขาจะไม่ได้ทุกข์เพราะความพึงพอใจในลูกสิยงกีรติมากเกินไปถ้าเขาจะได้ไม่ตกนรกหรือไปอาบายนานเกินไปใ น, นสมัยครั้งพุทธการเมื่อพระพุทธเจ้าได้ป่ผยแพร่ ก, กฎอันนี้ออกไปแล้วจึงมีคนหนุ่มเข้ามาบวชเยอะไงเพราะเขเกิดปัญญา ว่าถ้าหากว่าเขาจะต้องหลงเสพลูกเสียงกิดรุดจังพึงพอใจเขาเขาจะต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ตลอดชีวิตการมีลูกสักคนหนึ ง, งเลี้ยงเขาตลอดชีวิตเผเผอเลี้ยงหลานต่ออีกชั่วชีวิตมันไม่จิตมันไม่จบสิ้นแต่ถ้าหากาคนหนุ่มสาวเหล่านั้นเกิดปฏิก เ, เกิดตระหนักรู้ถึงกฎแห่งกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาไม่ต้องตอบสนองต่อลูกเสียงกิดรุสัมผัสที่พึงพอใจเขาก็จะไม่ต้องตกอบายและรับผิดชอบเหล่า น, นั้นตลอดชีวิตเขาจะมีอิสรภาพแสวงหาความสุข ที่ไม่ต้องเจือด้วยยาพิษได้ตลอดชีวิตเหมือนกันอันนี้ถือเป็นความโชคดีสําหรับคนบางคนนะเพราะฉะนั้นสมัยนั้นพอพระพุทธเจ้าได้เผยแผ่แล้วนี้มีคนหนุมน่มๆเจ้าชายหนุมน่มๆออกบทกันเยอะเลยใช่ไหมในตระกูลสากยะเพราะเพราะอันนี้นะไม่ใช่เป็นแฟชั่นว่าเออเมื่อลุงหลวงหนาหลวงพี่หลวงพ่อเราออกบทแล้วเราจะออกบทตามบ้างเป็นแฟชั่นไม่ใช่แต่เพราะพระพุทธเจ้าท่าแสดงให้เห็นถึงความกดแห่งกรรมเหล่านี้อย่างละเอียดลึกซึ้ง คนเหล่านั้นก็มีปัญญาพอที่จะเข้าใจได้ถึงแม้เขาเป็นคนหนุ่งสาวก็ตามเพราะบุตรที่ภาวะทางจิตเขาสูงนะเราไม่จําเป็นจะต้องตามเสพความพึงพอใจตามวัยตามยุคของเราแต่เราสามารถที่จะพิจารณาถึงเหตุผลว่าถ้าเราเสพความพึงพอใจตามรูปสังกิคีตตามวัยตามยุคของเราเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบต่อภารกิจอันนี้ไปตลอดชีวิตนะ ถึงแม้ว่าเราจะมีโอกาสเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่แต่ก็ไม่ร้อยเอร์ซ็นต์ะใช่ไหมมันเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นเรื่องที่โหดร้ายพอสมควรนะดังนั้นเองการปฏิบัติภาวนาต้องทําให้เราเกิดปัญญาเห็นกฎอันนี้ให้ชัดแจ้งนะไม่ใช่ว่าเราต้องการความสุขสงบไปมรกผลนิพพานแต่ถ้าหากว่าเราไม่เห็นกฎอันนี้อย่างแจ่มแจ้งถึงเราอยากไปมรรผลนิพพานอะไรก็ไปไม่ไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ทางของมัน ทางของมันเราจะต้องมาเห็นกฎแห่งกรรมอนนี้แล้วแล้วถึงจะดลุดหรือถึงจะจะหนักรู้เห็นโทษภัยของอุปสรรคต่อทางมรรคผลนิพพานแล้วเราก็จะปฏิบัติถูกต้องตามกฎของมันซึ่งเป็นเรื่องที่ดูมันยากแต่ก็ไม่ยากใช่ไหมดูมันง่ายแต่ไม่ง่ายมันขึ้นกับอะไรโบราณท่านหาคํำตอบเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ท่านเลยบอกมันขึ้นเรื่อวิสนาบาลมีท่านก็ยกไว้ในเรื่องวิสนาบาลมีบาลมีสร้างสมมาก่อน ก็มีส่วนนะถ้าพ่อแม่ปุญาตใหญ่เราไม่ได้สร้างสมสมฤกษ์อันนี้มาก่อนเราก็ไม่มีความตระหนักรู้อันนี้ตั้งแต่อายุน้อยๆอันนั้นคือวาสนาบารมีคือพ่อแม่ปุญาตใหญ่เราได้สร้างสมสิ่งที่ดีๆนี้มาก่อนแล้วก็มาตกทอดถึงเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลูกหลานที่จะจะยืนอยู่ต่อพ่อแม่ปุญาตใหญ่ก็ต้องมีเพราะท่านได้ส่งทอดสิ่งที่ดีๆนี้มาให้เรานะไม่ใช่เราจะมาเชอเองศึกษาเอง จริงอยู่เหมือนเราศึกษาเองเจอเองแต่ว่าถ้าท่านเหล่านั้นไม่ได้สร้างร่องรอยไว้ก่อนความพึงพอใจน้มน้ามาทางนี้มันก็จะไม่เกิดเหมือนกับคนทั่วไปนะเพราะนั้นเองความสัมพันธ์กันระหว่างคุณธรรมขั้นสูงกับความกระตันยูเนี่ยมีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งเพราะในในธรรมชุดหนึ่งที่มหาสมุทรเจา้าท่านคัดเลือกขึ้นมาเป็นหน้าแรก ข, ของนว่าก็ว่าดันเป็นหนังสือหลักสูตรผู้อ่า เข้ามาใหม่เรียกผู้บทใหม่ท่านเรียกว่านวากวาดโอวาสําหรับผู้ใหม่หน้าแรกเลยนะท่านจะเรียงอยู่ทําอยู่สี่ชุดชุดแรกเรียกว่าพระหู ป, ปการธรรมคือสติสมัมปชัญญะทำมีอุกรรมสองอย่างคือสติและสมัมปชัญญะชุดที่สองทำเป็นโรกบาลทำเป็นโรกบาลสองอย่างคือทำรักษาโลกสองอย่างคือฮิลิโอตระปัต อำคุ้มของโลกสองอย่างฮลริออร์ดาบชุดที่สามทำอันทำโลกนี้ให้งดงามทางสังคมนี้ให้งดงามเรียบร้อยสองอย่างคือขันติสุรัจจักคันติคือความอดอดกันถ้าเรามีความอดทนอดุนทนต่อกันแล้วก็จะเกิดความงดงามสงบขึ้นแล้วก็มีสุรัจจักมีความอดทนอย่างเต็มอกเต็มใจไม่ใช่อดทนแบบเ ก, ก็บกดอดทนอดกั้น การอดทนแบบเกลียดผดไม่ได้มีโซรจัจจะแต่เราก็อดทนอย่างอเข้าใจเรียกว่าโซรจัจจะคือสมสงบสงบอย่างด้วยอดทนแต่ไม่ใช่หน้านิ่มคิข้ขมวดน้าเขียวหน้าดังอดทนแต่ยังยิ้มได้อยู่เพราะมีโซรจัจจะเข้าใจไหมเดินขึ้นเลยโซลัจจะชุดที่สามชุดที่สี่นี่ใช่ว่าปุพพก า, าผู้กระทาคุณไว้ก่อนมีสองคนคกัตตัญญูและกะตัตตาเวทีกัตตัญญูคือ ตอบสนองคุณรู้คุณกระตะอยู่คือรู้คุณผู้ที่มีคุณต่อเราแล้วกระตะเวทีแสดงออกในการตอบสนองคุณนั้นไม่ใช่รู้เฉยๆต้องแสดงออกด้วยว่าเราตอบสนองแทนบนคุณบางคนรู้ว่าพ่อแม่มีคุณแต่ไม่เคยทําอะไรให้พ่อแม่อันนี้เรามีแต่กระตะอยู่แต่ไม่มีกระตะเวทีบุคคลหาได้ยากสองอย่างบุคคลหาได้ยากสองอย่างก็คือกระตะอยู่กระตะเวทีบุคคลกระตะอยู่บุคคลกับกตะ กัตตนกตาวินเพราะฉะนั้นทำสี่ชุดเนี่ยเป็นอยู่ในหน้าแรกของนวโกวาตของหนังสือแต่น้อยคนมากว่าจะเห็นว่าทําชุดนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่ทั้งหมดแล้วนมาดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่เบื้องต้นถึงมรรคนิพพานเลยนะแค่ทําแค่แค่แปดแปดข้อชุดละสองข้อสองข้อสี่ชุ ด, ออชดเอามาก็เลยว่าตรงหน้นาจบเลยนะดนั้นเองข้ออยากจะให้ในในสี่ชุดเนี่ยมันหมายถึงไตรสิขานะเนี่ย พหุปกรารธรรมคือสติสัมปชัญญะได้แก่สมาธิฮิริโอต ป, ปะได้แก่ศีลนะแล้วก็หันติโสรจจกรวมอยู่ในสมาธิกตัญญูกตเวทีได้แก่ปัญญาคุณมีปัญญาเท่านั้นที่เกิดความกตัญญูกตเวทีอย่างถูกต้องแต่ว่า ทำทั้งสามชุดเกิดมาจากทำชุดแรกทำทั้งสามชุดคือฮิเดียวตะปะคันติสุริจานแล้วก็กัตดูกัตวิธีเนี่ยเกิดมาจากหสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นสติสมัมปชัญญะจึงเป็นตัวต้นตัวแม่แบบตัวพ่อแม่ที่จะทำให้คลอดให้เกิดทำอีกสามชุดคือไตรสิขาเนี่ยก็คือฮิเดียวตะปะเป็นศีลคันติสุริจาเป็นสมาธิกัตดูกะตะวิธีเป็นปัญญาเห็นไหมแค่นี้จบเลยตไตรสิขาทั้งหมด แต่มีสติสัมยาเป็นตัวต้นกนนะําเนิดเขาประหุปการธรรมเหมือนพ่อแม่ก็ให้เกิดลูกลูกสักกี่คนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจกฎอันนี้แล้วเขาจึงอยากจะให้เราได้ปฏิบัติธรรมอย่างอ่าเข้าใจ <c oughs> นะปฏิบัติธรรมอย่างเข้าใจนี่ไม่ใช่ทํามากหรือทําน้อยแต่ทําอย่างเข้าใจมันอาจจะมากก็ได้มหมอาจจะน้อยก็ได้อคือมากด้วยการ ตามรู้ตามรู้ตามสังเกตในทุกๆ ก, กิจกรรมแต่น้อยในกรณีที่มันมีเวลาเท่านั้นมันมีความจอบกัดเท่านั้นอันนี้คืออยากจะแจ้งบอกให้ทราบว่าความการเข้าสู่ความเป็นอริยภูมินั้นมันไม่ได้ได้ตามปรารถนาแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจกฎตามกฎกรรมกฎแห่งกรรมตามธรรมชาติก็ดี ไม่เข้าใจกฎของใจรักและแตจศีกาก็ดีแล้วจะปฏิบัติขนาดไหนมันก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ได้ดังที่ทางวิถีของพุทธที่พุทธทเจ้าแตสรูม้มาอาจจะไปวิธีของพราหมณ์ของฮินดูของศาสนาอื่นก็ได้อย่างที่เขาเป็นกันนะนั่นเองก็ช่วงเช้าเป็นช่วงที่สงบพอที่จะไม่เราร้อนเกินไปที่จะเข้าใจ ในเรื่องเหล่านี้ได้แต่ในช่วงเย็นนั้นเราส่วนใหญ่อากาศยังเล่าร้อนอบอ้าวล้วก็ส่วนใหญ่เราก็คงประสความเพียนสบายๆไม่มีอะไรที่ <c oughs> ที่มันจะทําให้เราเข้าใจมีความพร้อมที่จะเข้าใจเราเปมากกว่านั้นแค่กําหนดทุกเวทนาเกิดขึ้นขณะปัจจุบันก็แก้ไม่ไหวยอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนในจิตใจที่แบ่งปันเพื่อจะให้เข้าใจลึกซึ้งก็คงจะยากอยู่เพราะในช่วงเย็นเราไม่ค่อยมีอะไรมา ช่วงเช้าเนี่ยเวทนาเบาบางสบายจิตใจก็พร้อมที่เข้าใจอะไรในสิ่งที่ละเอีย ด, ดึกซึ้งได้